พวกเราชาวพุทธเป็นพวกที่มีโชคมีวาสนามากที่ได้มาเกิดมาพบกับพระพุทธศาสนาเพราะพระพุทธศาสนามีที่พึ่งที่ดีที่สุดที่เลิกที่สุดที่ประเสริฐที่สุดที่มีคุณค่ามีความสามารถ ในการปกป้องรักษาจิตใจของพวกเราได้มากยิ่งกว่าสิ่งต่างๆทั้งหลายที่มีอยู่ในโลกนี้สิ่งต่างๆทั้งหลายที่มีอยู่ในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามจะวิเศษกราดาษไหนก็ตามก็ไม่สามารถทําหน้าที่ปกป้อง รักษาจิตใจของพวกเราให้พ้นจากความทุกข์ต่างๆได้มีแต่พระพุทธพระธรรมพระสงค์คือพระรัตนไตรเท่านั้นที่จะปกป้องรักษาคุ้มครองจิตใจของเราไม่ให้ทุกข์กับภัยต่างๆ ถ้าไม่มีพระพุทธศาสนาใจของพวกเรานี่จะต้องมีแต่ความทุกข์ไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุด mm hmm. แต่พอมีพระพุทธศาสนาแล้วมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วใจของเราก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงได้ mm hmm. ดังนั้น ขอให้พวกเราจงเห็นคุณค่าของพระรัตนตรยัยคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ยิ่งกว่าสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้เพราะสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้เป็นที่พึ่งได้เพียงชั่วคราวทางร่างกายแต่ทางจิตใจนี้เป็นที่พึ่งไม่ได้เลย ต่อให้มีความร่ำรวยเป็นมหาเศรษฐีระดับไหนก็ตามก็ยังต้องมีความทุกข์ใจอยู่ต่อให้เป็นพระราชามหากษัตริย์เป็นประธานาธิบดีเป็นนายกรัฐมนตรีก็ยังจะต้องมีความทุกข์ใจอยู่เพราะ การเป็นมหาเศรษฐีเป็นพันานาธิปดีเป็นพระราชามหากษัตริย์นี้ไม่สามารถปกป้องคุ้มครองรักษาใจไม่ให้พบกับความทุกข์ได้ทำได้เพียงแต่รักษาร่างกายให้อยู่อย่างสุขสบายเท่านั้นแต่ใจนี้ เป็นเหมือนกันหมดไม่ว่าจะเป็นมหาเศรษฐีหรือคนยากจนจนไม่ว่าจะเป็นพระราชามหากษัิยรหรือคนธรรมดาสามัญก็ยังตกอยู่ในความทุกข์ต่างๆที่มากระทบกับจิตใจดังนั้นตามพระพุทธ แต่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้เท่านั้นที่จะสามารถทําให้จิตใจนี้ไม่ทุกข์กับอะไรเลยไม่ทุกข์กับภัยต่างๆไม่ทุกข์กับความเกิดแก่เจ็บตายไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะมายับยั้งความทุกข์ที่เกิดจากการเกิดแก่เจ็บตายได้ ไม่มีอะไรที่จะมาป้องกันภัยให้จิตใจไม่ไปประสบกับภัยต่างๆภัยของใจคืออะไรภัยของใจก็คืออบายสี่สถานคือการต้องไปเกิดในอบายไปเกิดเป็นเดรัจฉานเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นนรก นี่คือภัยของใจของพวกเราทุกๆคนถ้าเราไม่มีพระรัตนตรัยมาปกป้องคุ้มครองป้องกันภัยต่างๆเหล่านี้ใจของพวกเราไม่ช้าก็เร็วก็จะต้องไปพบกับภัยเหล่านี้มากหรือน้อยเท่านั้นเองและ ภัยที่เกิดจากความแก่ความเจ็บความตายก็เป็นภัยที่ไม่มีอะไรที่จะสามารถค้มครองป้องกันให้กับจิตใจของเราได้นอกจากพระรัตนตรัยถ้าเรามีพระรัตนตรัยแล้วเราเป็นเหมือนกับมีประกันภัยมีประกันชีวิต สมัยนี้เราซื้อประกันภัยกันซื้อประกันชีวิตกันเพื่อจะได้รักษาประโยชน์ของเราไม่ให้ภัยต่างๆมาทำลายถ้ามีภัยทา ง, ทางธรรมชาติเช่นไฟไหม้น้ำท่วมแผ่นดินไหวถ้าเราซื้อประกันภัย บริษัทประกันภัยเขาก็จะรับประกันความเสียหายเวลาที่เกิดภัยทางธรรมชาติเราก็จะได้รับการคุ้มครองผลประโยชน์ที่เสียไปจากภัยธรรมชาติแล้วถ้าแล้วก็ถ้าเราซื้อประกันชีวิตบริษัทประกันชีวิตเขาก็จะรับประกัน ผลประโยชน์ที่เราจะเสียไปจากการที่เราต้องเสียชีวิตไปแต่เขาไม่สามารถที่จะป้องกันชีวิตของเราได้เขาป้องกันได้เพียงแต่รักษาผลประโยชน์ที่เราเสียไปในขณะที่เราเสียชีวิตไป แต่ทางพระพุทธศาสนานี้จะประกันชีวิตได้จะรับประกันไม่ให้เราตายได้ทำยังไงพระพุทธศาสนาทำให้เราไม่ตายก็สอนให้เราไม่มาเกิดนั่นเองถ้าเราไม่มาเกิดแล้วเราจะไม่มีวันตายไม่มีวันแก่ไม่มีวันเจ็บแล้วถ้าเราไม่ทำบาป เราก็จะไม่มีวันที่จะไปเกิดในอบายการซื้อประกันของพระพุทธศาสนาก็อยู่ที่การปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้านั่นเองพระพุทธเจ้ารับประกันว่าถ้ามาซื้อประกันภัยจากพระพุทธศาสนามาซื้อประกันชีวิตจากพระพุทธศาสนาแล้วรับรองได้ว่าจะไม่ต้องไปเกิดในอบาย จะไม่ต้องไปเป็นเดรัจฉานเป็นเปรตเป็นนสุรกายไปตกนรกจะไม่มีวันที่จะยากจนแดนแค้นอดอยากขาดแ้นเ้วก็จะไม่มีวันตายนี่คือสิ่งที่เราจะได้รับการคุ้มครองถ้าเราปฏิบัติตามคำสอน ของพระพุทธเจ้าการที่เราจะเข้าถึงพระรัตนตรัยได้นี้เราสามารถเข้าได้ถึงสามทางด้วยกันคือทางพระพุทธเจ้าก็ได้ทางพระธรรมคําสอนก็ได้ทางพระอริยสง์สาวกก็ได้เพราะพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้ต่างกันเพียงแต่กิริยาแต่ ผลประโยชน์ที่เราจะได้รับคือความคุ้มครองจากภัยต่างๆนี้เราจะได้รับเหมือนกันไม่ว่าเราจะเข้าหาพระพุทธเจ้าก็ดีเข้าหาพระธรรมคำสอนก็นดีเข้าหาพระอริยสงสาวกก็ดีถ้าเราได้เข้าถึงองค์ใดองค์หนึ่งแล้วก็เท่ากับว่าเราได้เท่าถึงสามองค์พร้อมๆกัน พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีหน้าที่ที่จะสอนให้เรากระทําตัวเราเองให้พ้นจากภัยต่างๆให้พ้นจากความตายไม่ว่าจะการที่เราจะได้พบกับพระพุทธเจ้าโดยตรงหรือพบกับพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าหรือพบกับพระอริยสงสาวกเราก็จะได้รับ ผลประโยชน์คือการคุ้มครองภัยและคุ้มครองชีวิตเหมือนกันเหมือนกับการซื้อประกันสมัยนี้จะไปซื้อที่บริษัทก็ได้จะซื้อกับตัวแทนของบริษัทคือสาขาต่างๆก็ได้หรือจะซื้อจากผู้ที่มาขายถึงบ้านเราก็ได้ถ้าเราซื้อแล้วเราก็จะได้รับการคุ้มครอง จากบริษัทประกันภัยบริษัทประกันชีวิตถ้าเราได้เข้าถึงพระพุทธเจ้าก็ดีเข้าถึงพระธรรมคําสอนก็ดีเข้าถึงพระอริยสงสาวกกรดีก็เท่ากับเราได้เข้าถึงแหล่งที่จะมีการขายประกันภัยประกันชีวิตให้แก่จิตใจของพวกเรา ดังนั้นเราจึงไม่ต้องกังวลวา่าตอนนี้เราไม่มีพระพุทธเจ้าอยู่ในโลกนี้แล้วเรายังจะสามารถมีประกันภัยมีประกันชีวิตคุ้มครองเราได้หรือไม่เพราะว่าตอนนี้เรายังมีพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่และเรายังมีพระอริยสงสาวก ที่จะสั่งสอนแทนพระพุทธเจ้าได้อยู่พระพุทธเจ้าก่อนที่จะทรงจากพวกเราไปก็ได้ทรงตัดไว้แล้วว่าอพวกเธอจะไม่ได้อยู่ปราศ จ, จากศาสดาอเพราะว่าธรรมวินัยที่เราได้ประกาศสั่งสอนไปนี้จะเป็นศาสดาแทนเราต่อไปอ ถ้าเธอมีพระธรรมคำสอนก็เท่ากับเธอยังมีพระษาสดาอยู่หรือถ้าเธอไม่มีพระธรรมคำสอนแต่มีพระอริยสงสากุกพระอริยสงสาวกนี้ก็จะเป็นผู้ที่จะเอาคำสอนของเรานี้มาเผยแผ่ให้กับพวกเธอดังนั้นถ้าพวกเธอได้เข้าถึงอย่างใดอย่างหนึ่ง พวกเธอก็จะได้รับการคุ้มครองได้รับการปกป้องรักษาไม่ให้พบกับภัยต่างๆไม่ให้พบกับความสูญเสียชีวิตไปนี่คือพระที่พึ่งอันประเสริฐที่พึ่งอันสูงสุดที่ไม่มีที่พึ่งอันใดในโลกนี้จะสามารถ คุ้มครองจิตใจของพวกเราได้ต่อให้ได้ลาบยศสละเสริญได้ความสุขทางตาหูจมูกลินกายมามากน้อยเพียงไรก็ตามก็จะไม่สามารถที่จะป้องกันภัยจากการที่จะต้องไปเกิดในอบายหรือป้องกันความตายได้ถ้าเกิดมาแล้วทุกคนก็จะต้องตายกัน ไม่มีใครไม่มีข้อยกเว้นไม่ว่าจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่หรือเป็นผู้น้อยไม่ว่าจะเป็นผู้ที่มีความร่ำรวยหรือผู้ที่มีความยากจนเรื่องของความเกิดแก่เจ็บตายนี้มีเท่าเท่ากันแต่ผู้ที่มีประกันภัยมีประกันชีวิตนี้จะไม่ต้อง เกิดไม่ต้องแก่ไม่ต้องเจ็บไม่ต้องตายอีกต่อไปถ้าได้เข้าถึงพระรันตนตรัยคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์การที่เราจะเข้าถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ได้นั้นเราก็ต้องเข้าด้วยการศึกษาเรียนรู้เรียนรู้คำสอนต่างๆของพระพุทธเจ้าเรียนรู้วิธีการปฏิบัติของพระพุทธเจ้า และของพระ อ, อริยสงฆ์สาวกทั้งหลายเช่นการศึกษาประวัติของพระพุทธเจ้าก็ดีประวัติของพระ อ, อริยสงฆ์สาวกกดีเพื่อเราจะได้รู้ว่าท่านปฏิบัติอย่างไรท่านสอนอย่างไรท่านปฏิบัติอย่างไรถ้าเราได้เรียนรู้แล้วเราก็ปฏิบัติตามที่ท่านสอนปฏิบัติตามที่ท่านได้ปฏิบัติ ก็เท่ากับเราได้ซื้อประกันภัยประกันชีวิตเราจะมีได้รับความคุ้มครองจากพระรัตนตรยัยจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จะทำให้เรานี้ไม่ต้องไปพบภัยทั้งสี่ในอบายไม่ต้องไปเกิดเป็นเดลฉานเป็นเปรตเป็นอสุรกายไม่ต้องไปตกนรกไม่ต้อง กลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอีกต่อไปนี่คือขั้นตอนขั้นที่หนึ่งการที่จะเข้าสู่พระรัตนนายก็เหมือนกับการที่เราจะซื้อประกันภัยหรือซื้อประกันชีวิตเราก็ต้องศึกษาว่าเขาคุ้มครองอย่างไรแล้วเราต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไรบ้างเช่จนจะซื้อประกันชีวิต จะประกันในระดับไหนระด en, ับแสนระดับ <diminish> ล <fucking> ้านระดับร ah ้อยล้านเขาก็มีค่าใช้จ่ายที่เราจะต้องจ่ายให้เขาจะประกันภัยก็เช่นเดียวกันประกันภัยระดับแสนระดับล้านหรือระดับร้อยล้านเขาก็มีค่าใช้จ่ายที่เราจะต้องจ่ายให้เขาถ้าเราจ่ายค่าประกันค่าเบี้ยประกันให้เขา เขาก็จะคุ้มครองเราเวลาเกิดความสูญเสียเขาก็จะชดเชยให้จันดาพระพุทธศาสนาก็เช่นเดียวกันรับประกันชีวิตรับประกันภัยเราอยากจะรู้ว่าการรับประกันภัยการรับประกันชีวิตนี้ทำอย่างไรเราก็ต้องศึกษาว่าเราจะต้องเสียค่าใช้ใจ่ายอะไรบ้าง ถ้าเราพร้อมที่จะเสียค่าใช้จ่ายแล้วจ่ายไปเราก็จะได้รับการคุ้มครองทันทีเช่นถ้าเราอยากจะต้องการซื้อประกันภัยไม่ต้องการที่จะไปเป็นเดรัจฉานไปเป็นเปรตเป็นอสุรกายไปตกนรกพระพุทธเจ้าพระธรรมคำสอนพระอริยสงสาวกก็บอกว่าเราต้องรักษาศีลห้ากันให้ได้ ถ้าเรารักษาศีลห้าได้แล้วเราจะได้รับความคุ้มครองจะไม่ต้องไปเกิดในอบายอย่างแน่นอนถ้าสามารถรักษาศีลห้าได้ตลอดไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมาที่จะมาท้าทายต่อความซื่อสัตว์ของการรักษาศีลของเราเช่นความยากจนหรือเวลาที่เราเดือดร้อน เราจะรักษาศีลห้าได้หรือไม่หรือเวลาที่เราจะตายอย่างนี้เราจะรักษาศีลห้าได้หรือเปล่าถ้าเรารักษาศีลห้าได้ไม่ว่าเราจะอยู่ในสภาพไหนหเวลาเราตายไปนี้เราจะไม่ต้องไปเกิดในอบายนี่คือการคุ้มครองภัยที่ จะตามมาถ้าเราไม่ซื้อประกันถ้าเราไม่รักษาศี่ห้ากันเวลาเราตายไปนี่นเรามีโอกาสที่จะไปเกิดเป็นเดลฉานเกิดเป็นเปรตเกิดเป็นนสุลกายไปตกนรกอย่างแน่นอนเพราะนี่เกิเหตุที่ทําให้เราไปสู่วบายกันก็คือการกระทําบาปห้าห้าชนิดด้วยกัน คือหนึ่งการฆ่าสัตว์สองการลักทรัพย์สามการประพฤติผิดประเวณีสี่การพูดปดโกหกหลอกลวงและห้าการดื่มสุรายาเมาถ้าทำบาปเหล่านี้เป็นประจำถึงเวลาก็จะต้องไปสู่อบายอย่างแน่นอนแล้วถ้าเราไม่อยากจะไปพบกับความ ยากจนต่างๆสิ่งที่เราต้องทำก็คือทำบุญทำทานถ้าเราทำบุญทำทานอยู่เป็นประจำ<ม>ก็เป็นเหมือนกับเรามีการออมทรัพย์นั่นเองมีเงินทองแทนที่จะเอาไปใช้สุรุ่ยสุร่ายใช้แบบไม่ไม่มีเหตุไม่มีผลใช้ไปกับความอยากต่างๆเอาเงินนี้ไปเก็บไว้ในธนาคารดีกว่า ไปฝากไว้ในธนาคารหรือไปซื้อพันธบัตรหรือซื้ออะไรที่จะทำให้เรามีผลตอบแทนและรักษาผลประโยชน์ของเราที่เรามีอยู่ขึ้นเงินทองไว้ไม่ให้สูญเสียไปเราก็จะมีเงินทองไว้คอยดูแลเราตลอดเวลาเวลาเราทำบุญนี้ก็เป็นเหมือนกับการที่เรา เอาเงินทองไปฝากธนาคารนั่นเองเวลาฝากธนาคารเวลาเราขาดแคลนต้องการเงินทองเราก็สามารถที่จะไปเบิกมาใช้ได้แล้วเรายังมีดอกเบี้ยจากการฝากเงินในธนาคารด้วยทุกครั้งที่เราทําบุญทาทานนี้ก็เหมือนกับเราเอาเงินไปฝากในธนาคารเงินที่เราจะไม่สามารถเอาติดตัวไปกับเราได้ หลังจากที่เราตายไปแล้วแต่เราสามารถฝากไว้ในธนาคารบุญได้แล้วเราสามารถเอาบุญนี้ติดตัวไปได้เวลาตายไปเป็นแต่ดวงวิญญาณไม่มีร่างกายเราก็จะไปเป็นเศรษฐีบุญกันเพราะเรามีบุญบุญนี่แหละเป็นเงินทองที่เราจะใช้ในขณะที่เราไม่มีร่างกายเวลาเราไปอยู่ในโลกทิศ เราก็จะเป็นเทวดาเป็นเทวดาชั้นต่างๆถ้าเราไม่มีบุญติดตัวไปเราก็จะไปเป็นขอทานในโลกทิพย์ขอทานทางจิตวิญญาณที่มาคอยรอรับส่วนบุญของญาติพี่น้องที่มีชีวิตอยู่กันพวกนี้เราก็เรียกว่าพวกเปรตพวกที่ขณะที่มีชีวิตอยู่ไม่สนใจกับการทำบุญ ไม่สนใจกับเอาเงินทองไปฝากไว้ในธนาคารบุญเอาแต่ใช้จนหมดในเวลาหาเงินทองก็ไม่ซื้อประกันภัยหาแบบทุกชนิดหาแบบทุกรูปแบบทําบาปก็เอาทาบาปก็เอาไม่ทําบาปก็เอาขอให้ได้เงินทองมาเท่านั้นตวงนี้แหละจะเป็นเวลาที่ไม่มีร่างกายก็จะไม่มีประกันภัย แล้วก็ไม่มีเงินทองติดตัวไปก็เลยต้องไปเป็นเปรตต้องมารอรับส่วนบุญจากญาติพี่น้องที่มีชีวิตอยู่กันแต่ถ้าเราหมั่นทำบุญทำทานอยู่เรื่อยๆแล้วจ่ายค่าประกันภัยอยู่เรื่อยๆเวลาเราตายไปนี่เราจะไม่ไปเป็ น, น, เ, ปนเปรตอย่างแน่นอนเราจะไปเป็นเทวดาเพราะเราจะมีบุญ ติดตัวไปเงินทองเราเอาไปไม่ได้เราเลยต้องเปลี่ยนเงินทองมาเป็นบุญเหมือนกับเวลาที่เราเดินทางไปต่างประเทศเราเอาเงินบาทไปไม่ได้เราก็เปลี่ยนเงินบาทเป็นเงินดอลลาร์ไปพอเราไปเรามีเงินดอลลาร์เราก็สามารถใช้ซื้ออะไรต่างๆได้จ่ายค่าที่อยู่อาศัยจ่ายค่าอาหารใช้อะไรต่างๆได้อย่างสะดวกสบาย ยันใดบุญก็เป็นแบบนั้นบุญก็เป็นเหมือนเงินตราที่เราเอาติดตัวไปได้เวลาที่ไม่มีร่างกายแล้วเวลาที่เรากลับมาบุญที่เราเงินที่เราฝากไว้ในธนาคารก็ยังอยู่เรากลับมาก็จะมีเงินทองรองเราอยู่เรากลับมาเกิดก็จะมาเกิดเป็นลูกของคนมีฐานะคนร่ํารวยรวยมากรวยน้อย ก็อยู่ที่เงินทองที่เราได้ทําบุญไปในอดีตชาติทํามากก็จะรวยมากทําน้อยก็จะรวยน้อยนี่ก็คือเป็นประกันอีกแบบหนึง่งประกันความยากจนประกันความที่จะไม่ต้องไปเป็นขอทานทางจิตวิญญาณและทางทางร่างกายเวลาที่ได้กลับมาเกิดใหม่ เราก็ต้องซื้อประกันคือซื้อประกันภัยแล้วเราก็ต้องเอาเงินไปฝากธนาคารด้วยการทำบุญทาทานเนี่ยคำสอนของพระพุทธเจ้าสองข้อแรกก็คือให้ละบาปทั้งปวงและให้ทำบุญกุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อม อ, อันนี้ก็เป็นการที่จะป้องกัน ภัยที่เราจะต้องไปเจอถ้าเราไม่ได้ทำถ้าเราไม่ได้รักษาศีลไม่ได้ทำบุญทำทานตายไปเราก็ต้องไปเกิดในอบายกลับมาเกิดชาติหน้าก็กลับมาเกิดยากจนไม่มีเงินทองรอเราอยู่เพราะเราไม่มีเงินฝากไว้ในธนาคารบุญนั่นเองนี่ก็คือประกันภัยต่าง ที่เราจะสามารถซื้อได้จากพระรัตนตรัยคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ซื้อด้วยการปฏิบัติตามคําสอนของพระรัตนตรัยคืพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์พระอริยสงสาวกทุกๆพระองค์นี่สอนเหมือนกันขายประกันภัยประกันแบบเดียวกันสอนให้ทําบุญสอนให้ละบาปกัน แล้วก็ยังสอนให้เราซื้อประกันชีวิตอีกด้วยถ้าอยากจะซื้อประกันชีวิตเราก็ต้องปฏิบัติทำอีกข้อหนึ่งคือข้อที่สามคือสอนให้เราชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์คำสอนของพระพุทธจเจ้าทุกๆพระองค์ไม่ว่าจะมาเกิดในยุคไหนสมัยไหนจะสอนคำสอนอยู่สามข้อใหญ่ๆนี้คือสอนให้อ่า ละการกระทำบาปทั้งปวงซื้อประกันภัยแล้วก็เอาเงินไปฝากไว้ในธนาคารให้บุญยังกุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อมและสามให้ชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์เพราะจะทำให้ไม่ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอีกต่อไปนี่คือคำสอนของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ ดังนั้นพวกเราไม่ต้องไปเสียเวลารอฟังคําสอนของพระพุทธเจ้าองค์ใหม่เช่นคนบางคนมักจะพูดถึงว่าอยากจะเจอพระสีอานกันเหลือเกินไปเจอทําไมในเมื่อพระโคตมะก็ยังมีอยู่พระพุทธเจ้าโคตมะโคดมของเราก็ยังมีอยู่สอนเหมือนกันมีความฉลาดเหมือนกันมีความสามารถเหมือนกันสามารถคุ้มครองจิตใจของพวกเราไม่ให้พบกับภัยต่างๆ สามารถป้องกันความตายให้แก่พวกเราได้ทำไมจะไปรอพระพุทธเจ้าองค์ใหม่แล้วในปัจจุบันนี้ก็เสี่ยงอยู่กับภัยต่างๆเสี่ยงอยู่กับการที่จะต้องกลับมาตายอยู่บ่อยๆทำไมในเมื่อเราสามารถที่จะได้รับความคุ้มครองเบือนกับที่เราจะได้รับการคุ้มครองจากพระีอานที่เราไม่รู้ว่าจะได้พบหรือเปล่า พระศรีอานจะมาเกิดเมื่อไหร่เราก็ไม่รู้แล้วเราจะมาเกิดในยุคที่พระศรีอานมาเกิดหรือเปล่าเราก็ไม่รู้อีกเนี่ยเป็นความคิดของคนโง่เป็นความคิดของคนที่ถูกกิเลสดอกให้คิดกิเลสมันไม่ต้องการให้เราซื้อประกันภัยไม่ต้องการให้เราซื้อชีวิตมันเสียดายเงินมันต้องการเอาเงินไปเที่ยวไปกินไปดื่ม ไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายอยู่ตลอดเวลามันจึงไม่ต้องการให้เราเข้ามาหาพระรัตนตรัยมันก็จะหลอกให้เราหลอไปพบกับพระรัตนตรัยองค์ใหม่ที่จะวิเศษที่จะดีกว่าพระรัตนตรัยองค์ปัจจุบันทั้งๆ ท, ท, ที่ไม่รู้ว่าจะวิเศษกว่าอย่างไรจะดีกว่าอย่างไรในเมื่อเป็นบริษัทประกันชีวิตประกันภัยเหมือนกัน ท, รรรรทุกบริษัทประกันภัยบริษัทประกันชีวิตทุกบริษัทเขาก็มีความคุ้มครองเหมือนกันจะรอให้บริษัทใหม่มาตั้งหรือจะซื้อประกันตอนนี้ดีถ้ารอให้บริษัทประกันใหม่มามาตั้งตอนนี้ไม่มีประกรันเดี๋ยวเกิดไฟไหม้เกิดน้ําท่วมขึ้นมาก็ไม่มีการคุ้มครองอหรือเกิดการเสียชีวิตไปก็จะไม่มีการคุ้มครอง ตอนนี้เรามีประกัดเรามีรบริษัทประกันภัยมีบริษัทประกันชีวิตแล้วเราอย่าให้ความโง่ของเราหลอกให้เรารอให้มีบริษัทประกันภัยที่ดีกว่านี้เลยเพราะไม่มีบริษัทไหนที่จะดีกว่ากันมีความคุ้มครองเหมือนกันนี่คือเรื่องของคนบางคนที่มักจะคิดว่าตอนนี้ไม่สามารถที่จะ ซื้อประกันภัยได้แล้วเพราะว่าคนขายประกันนี้ไม่มีแล้วพระพุทธเจ้าไม่มีแล้วพระอริยสงสาวกไม่มีแล้วถึงแม้ไม่มีก็ยังมีพระธรรมคาสอนอยู่พระธรรมคาสอนในพระไตรปิฎกนี่ก็ยังเป็นผู้ที่ขายประกันภัยขายประกันทีวิตให้แก่เราได้แต่ถ้ามีพระพุทธเจ้ามาขายโดยตรง หรือมีพระ อ, อริยสงฆ์สาวกมาขายโดยตรงมันก็จะให้เรามีความมั่นใจได้มากกว่าเท่านั้นเองแต่พระธรรมคาสอนที่มีจารึกไว้ในพระไตรปิฎกนี้<ม>ก็สามารถคุ้มครองเราได้ให้ความคุ้มครองเราได้คุ้มครองชีวิตคุ้มครองภัยให้กับเราได้ดังนั้นอย่าเสียเวลาปล่อยเวลาอันมีค่าของเราที่มีน้อยลงไปทุกวันทุกวัน ชีวิตของเรานี้มันสั้นลงไปสั้นลงไปถึงแม้ว่าอายุมันจะยืนยาวนานขึ้นไปยิ่งยาวเท่าไหร่อายุชีวิตก็ยิ่งสั้นเท่านั้นใช่หัหยถ้าอายุสิบปีนี่อายุมันก็ยังยาวอยู่ชีวิตก็ยังยาวอยู่แต่อายุเก้าสิบนี่ชีวิตมันก็สั้นลงไปเด้อแค่สิบปีถ้าถ้าชีวิตของพวกเราอยู่กันได้ไม่เกินร้อยปี ถ้าเราอายุ10ปีชีวิตเราก็ยังเหลือต้อง90ปีแต่ถ้าชีวิตเราถ้าอายุเราก้าว10ปีชีวิตของเราก็เหลืออีกแค่10ปีฉะนั้นวันเวลาผ่านไปผ่านไปนี้เวลาที่เราจะมีเหลือไว้สําหรับการมาซื้อประกันมาซื้อประกันภัยซื้อประกันชีวิตนี้มันก็จะมีน้อยลงไปเรื่อยๆ แล้วดีไม่ดีอาจจะหมดไปก่อนก็ได้เพราะไม่มีใครรู้ว่าจะอยู่ครบวาระของชีวิตบางคนอาจจะมีเหตุการณ์อย่างอื่นมาทำให้ชีวิตนี้มันดับไปก่อนถึงเวลาอันควรก็ได้เราเห็นกันอยู่ทุกวั น, นมีคนตายทุกอายุใช่ไหมเกิดมาวันแรกตายก็มีเจ็ดวันตายก็มีเดือนหนึ่งตายก็มีปีหนึ่งตายก็มี อายุสิบขวบตายก็มียี่สิบก็มีสามสิบก็มีมีตายได้ทุกอายุทุกวันทุกเวลาไม่มีใครสามารถมาประกันได้จึงอย่าประมาทควรที่จะรีบซื้อประกันเสียแต่วันนี้เพราะเราไม่รู้ว่าภัยจะเกิดขึ้นมาเมื่อไหร่วันดีก็ดีไฟอาจจะไหม้บ้านเราก็ได้วันดีก็ดีน้ำอาจจะท่วมขึ้นมาก็ได้ โดยที่ไม่คาดฝันนต่ถ้าเราไม่ประมาทเราคิดเผื่อไว้ก่อนว่าเผื่อมันจะกเกิดขึ้นในวันนี้เรารีบซื้อประกรันซื้อแต่วันนี้ิไม่ดีกว่าเลยพอเราซื้อประกันแล้วเราก็จะได้รับความคุ้มครอง ท, ทันทีให้เราคิดอย่างนี้แล้วเราจะได้มีความยินดีมีความมั่นใจต่อการที่เราจะ ซื้อประกันของพระรัตนตรัยซื้อประกันจากพระรัตนตรัยคือปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ดีของพระธรรมคำสอนก็นดีของพระอริยสงสาวกกรดีพอเราปฏิบัติตามก็แสดงว่าเราได้ซื้อประกันแล้วตอนต้นเราก็ศึกษาก่อนว่าจะซื้อประกันภัยชนิดนี้จะต้องทำอย่างไรบ้างถ้าอยากประกันภัย จากอบายทั้งสี่ก็ให้รักษาสี่ห้าไปถ้าอยากจะปะกันความยากจนก็ให้ท<ม>ําบุญทําทานไปควบคู่ไปกับการรักษาสี่ห้ารับรองได้เวลาตายไปนี้ไม่ต้องไปอบายไม่ต้องไปเป็นขอทานทางจิตวิญญาณจะไปเป็นเทวดาไปเป็นเศรษฐีและเวลากลับมาเกิดใหม่ก็อาจจะกลับมาเกิดเป็นลูกของคนร่ำคนรวย ไม่ต้องไปหาเงินหาทองอย่างเด็ดยากจนที่เ็าต้องทำกันมีพ่อแม่ให้เงินทองใช้ทุกวันอย่างสบายนี่คือเรื่องของการประกันภัยส่วนเรื่องของการประกันชีวิตนี้ก็ต้องมีการประกันต้องมีการซื้อต้องมีการปฏิบัติเพิ่มอีกข้อหนึ่งคือการชำระใจให้สะอาดบรยสุด เพราะสิ anto, ่งที่ทำให้ใจไม่สะอาดนี่แหละเป็นตัวที่จพาให้ใจมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอยู่เรื่อยๆก็คือกิเลสตัณหากิเลสกับตัณหานี่ก็ตัวเดียวกันเพียงแต่ทรงแสดงไว้ต่างลักษณะกันกิเลสก็คือความโลภความโกรธความหลงตัณหาก็คือความอยากกามะตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหา ตัญหามันก็เกิดจากความหลงเพียงแต่ไม่ได้แสดงไว้แต่น้ถ้าเป็นกิเลสท่านก็แสดงว่าความโลภก็เกิดจากความหลงความโกรธก็เกิดจากความโลภเวลาโลภอยากได้อะไรแล้วไม่ได้ก็โกรธขึ้นมาแล้วก็ทําให้เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาอันนี้เป็นเป็นตัวที่มาทําให้ใจเราเศร้าหมอง ทำตัวให้เราจำใจให้ของเรานี้ต้องออกไปหาสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้หาความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายเพราะไม่มีความสุขในใจเลยต้องออกไปหาความสุขจากลาบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสผลพัฒน์ต่างๆแต่ถ้าสามารถทำใจให้สะอาดบอิสุดได้ปราศจากความโลภความโกรธความหลงปราศจากความอยากต่างๆ ใจจะมีความสุขอยู่ในตัวเองจะมีความอิ่มมีความพอก็จะทำให้ไม่ต้องมาหาลาบยศสรรเสริญมาหารูปเสียงกลิ่นรสผลิภัพฑ์ให้ความสุขกับตนและความสุขทางลาบยศสรรเสริญทางรูปเสียงกลิ่นรสก็ไม่ได้เป็นความสุขที่แท้จริงเป็นความสุขปลอมเป็นความสุขแบบยาขมเคลือบน้ำตาลหวานเดียวเดียว เวลาอมก็ไปใหม่ๆก็หวานพอน้าตาลที่เคลือบยาขมนี้ละลายไปก็จะมีแต่ความขมความสุขที่เราได้จากราบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสก็เป็นความสุขชั่วคราวเพราะว่ามันไม่เที่ยงมีเจริญก็มีเสื่อมมีเกิดก็มีดับ เ, เวลามันเกิดเวลาเจริญนี่ก็ให้ความสุขกับเรา เวลามันเสื่อมมันก็กลายเป็นความทุกข์ไปเวลาเสื่อมจากลาบยศสรรเสริญนี่เป็นยังไงบางคนถึงอยากจะฆ่าตัวตายเพราะทุกข์ทรมานใจสูญเสียทรัพย์สมบัติเงินทองไปหมดสูญเสียบุคคลที่ตนรักสูญเสียสิ่งที่รักไปนี่มันทำให้ไม่มีความสุขมีแต่ความทุกข์จนไม่มีความอยากที่จะอยู่ต่อไปถึงกับฆ่าตัวตายกันน่ ส่วนใหญ่คนที่ข่าตัวตายกันนี้ก็เกิดจากความสูญเสียนี้เั้งสูญเสียอย่างใดยอย่างหนึ่งที่ตนนักไปสูญเสียลาบยศสรรเสริญสูญเสียความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายเจนบางคนเป็นโรคร้ายเป็นอมาพอมภาตไม่สามารถใช้ร่างกายหาความสุขต่างๆได้ก็ไม่รู้ว่าจะอยู่ไปทำไมอยู่ไปก็ทรมานอยู่ไปก็ไม่สามารถหาความสุขได้มีแต่ความทุกข์ ก็ฆ่าตัวตายดีกว่าเพื่อจะหนีแต่การฆ่ามันก็ไม่ได้เป็นการแก้ปัญหาเพราะว่าตัวที่ทําให้ต้องทุกนี้แล้วต้องกลับมาเกิดใหม่ก็คือตัวกิเลสตัณหาที่มีอยู่ในใจฆ่าแล้วมันก็กลับมาเกิดใหม่กลับมาเกิดใหม่เดี๋ยวมันก็มาแก่มาเจ็บมาตายใหม่อีกเหมือนกันยั้งการฆ่าตัวตายนี้ไม่ใช่เป็นวิธีแก้ปัญหาต้องฆากิเลสตัณหาให้มันตาย ฆ่าความโลภความโกรธความหลงฆ่าความอยากต่างๆฆ่ากามตาตนะภาวะตันหาวิภาวะตันหาถ้าไม่มีกิเลสตันหาแล้วใจจะไม่ต้องออกไปหาความสุขทางร่างกายต่อไปไม่ต้องมีร่างกายก็ไม่ต้องมาเกิดหลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วก็ไม่ต้องมามีร่างกายอันใหม่เพราะมีความสุขที่ดีกว่าอยู่ในใจ ความสุขที่เกิดจากการทําใจให้สะอาดบ่อยสุดนี้เป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่กว่าความสุขทั้งปวงนัตติสันติปรังสุขขัง ส, ขสุขอื่นที่เหนือกว่าความสงบไม่มีจิตจะสงบได้ก็ต้องสะอาดบ่อยสุดนการความสะอาดบ่อยสุด ข, ของจิตนี่ก็มีสองระดับระดับชั่วคราวและระดับถาวรตอนต้นเราก็ต้อง เข้าหาระดับชั่วคราวก่อนเพราะระดับชั่วคราวนี้มันง่ายกว่าระดับถาวรระดับชั่วคราวก็คือทำให้กิเลสตันหามันสัหยุดทำงานชั่วคราวหยุดการทำงานของกิเลสตันหาได้จิตก็บอสสดขึ้นมาชั่วคราวป็นเหมือนน้ำที่เราสมัยก่อนน้ำขุ่นเราจะใช้สารส้มแกงมันพอเราใช้สารส้มแกง สิ่งที่เป็นทําให้น้ําขุ่นมันก็จะแ ย, ายากตัวออกจากน้ําตกตะกอนไปน้ําก็ใสสะอาดแต่ยังมีตะกอนอยู่เท่านั้นเองเวลาเราไปตักน้ํากันบ่อยๆเดี๋ยวตะกอนมันก็ลอยขึ้นมาทําให้น้ําขุ่นใหม่ไดน้นี่คือวิธีทําน้ําให้สะอาดบ่อยสุดแบบชั่วคราวถ้าจะทําให้บ่อยสุดอย่างสะอาดบริสุดอย่างถาวรก็คือ หลังจากที่มันตกตะกอนแล้วก็ต้องแยกน้ำออกจากตะกอนใช้อะไรแยกใช้ขันตักแยกออกไปใส่ตุ่มหนึ่งเอาน้ำใสๆออกไปตะกอนก็ทิ้งมันไว้อีกตุ่มหนึ่งน้ำนั่นก็จะใสสะอาดบอยสุทการทำใจให้สะอาดบอยสุดก็เป็นแบบนี้มีสองขั้นตอนขั้นตอนแรกทำให้กิเลส ต, ตัณหามันตกตะกอนไปก่อนให้มันแยกตัวออกจากจิต ชั่วข่าวไปก่อนด้วยการใช้สติถ้าเรามีสติเราจะสามารถหยุดความคิดปรุงแต่งต่างๆได้พอเราหยุดความคิดปรุงแต่งได้แล้วกิเลสตัณหามันก็ต้องหยุดทำงานเพราะกิเลสตัณหามันอาศัยความคิดเป็นเครื่องมือนั่นเองเวลาถ้าเราคิดถึงอะไรแล้วมันมักจะเกิดความโลภความอยากขึ้นมาทันทีอยากได้สิ่งนั้นอยากมีสิ่งนี้ แต่เวลาที่เราไม่คิดนี้มันก็อยากไม่ได้เช่นเวลานี้เราไม่ได้คิดถึงอะไรเราก็เลยไม่มีความอยากกันชั่วคราวตอนนี้เราก็มีแต่ฟังเทศฟังธรรมไปความอยากต่างๆมันก็ไม่สามารถทำงานได้แต่ถ้าเราไปคิดถึงเมื่อไรปั๊บเมื่อไรนี่มันก็จะเกิดความอยากขึ้นมาทันทีแล้วทำให้นั่งตรงนี้ไม่ได้อย่างเมื่อกี้ก็มีคนนั่งอยู่ตรงนี้ไม่ได้ มีความคิดว่าไว้ยต้องนั่งอย่างนี้นานๆ น, น, นั่งเฉยๆนั่งไม่ได้เพราะยังมีความอยากจะเคลื่อนไหวยังมีความอยากจะขยับแข้งขยับขาก็เลยต้องลุกออกไปจากที่นี่เพราะอยู่ไม่ได้อยู่แล้วมันมันทุกข์มันทรมานเลยต้องขยับขยายไปจะได้ถ้าเรามีสติสามารถควบคุมความคิดได้เราก็จะควบคุมความอยากได้ หยุดความคิดได้ก็จะหยุดความอยากได้ชั่วคราวพอความอยากหยุดจิตก็สะอาดบยสุดชั่วคราวจิตสงบนิ่งเป็นสมาธิขึ้นมาก็จะมีความสุขที่เกิดจากความสงบนัตติสันติพลังสุขขังก็จะเกิดขึ้นมาชั่วคราวทันทีความสุขที่ได้จากการทาความอยากละกิเลสให้ตกตะกอนไป แต่กิเลสตัณหามันไม่ตายมันเพียงแต่ตกตะกอนมันแยกออกจากจิตชั่วคราวมันยังอยู่ในจิตอยู่พอพอปล่อยพอพอพอปล่อยให้จิตคิดเมื่อไหร่ออกจากสมาธิมาเมื่อไหร่แล้วไม่คอยควบคุมจิตต่อปล่อยให้ไปคิดถึงขนมเดี๋ยวก็อยากกินขนมนะให้ไปคิดถึงเครื่องดื่มก็อยากจะดื่มให้คิดถึงอะไรก็อยากจะดูอยากจะฟังขึ้นมานะ พอดั่งสมาธิเสร็จเนี่ยออกมาแล้วเปิดมือถือกันก่อนแล้วไม่มีใครโทรเข้ามาหรือเปล่าคิดละอยากอยากรู้อยากเห็นขึ้นมาแล้วอยากจะติดต่อกับคนนั้นคนนี้ขึ้นมาแล้วะแต่ถ้าออกมาแล้วพุโทโธพุโทโธต่อไม่ปล่อยให้คิดมันก็ยังไม่ไปความอยากต่างๆก็ยังเกิดไม่ได้แต่มันต้องเผลอเพราะไม่มีใครที่จะสามารถมีสติได้อย่างต่อเ น, นื่อง ไปตลาดเวลาพอออกมาจากสมาธิจิตที่ถูกกดด้วยสติมันก็อัดอันอ้นตันใจสุดที่จะทนไหวมันก็จะต้องคิดใหญ่เลยออกมาคิดใหญ่จน ก, กระทั่งสตินี้ไม่สามารถที่จะยับยั้งมันได้ดัง mm hmm. นั้นการจเจริญสตินี้จึงเป็นเรื่องที่สําคัญมากถ้าอยากที่จะทําทใจให้สงบทําใจให้มีความสุข ในเบื้องต้นต้องมันเจริญสติให้มากๆ ก, ก่อนเจริญตลอดเวลาได้ยิ่งดีเพราะยิ่งมีสติมากเท่าไหร่ยิ่งเจริญมากเท่าไหร่ก็จะยิ่งมีสติมากขึ้นเท่านั้นกําลังของสติก็จะมีมากขึ้นไปเรื่อยๆถ้ามีการเจริญสติอยู่อย่างอย่างต่อเนื่องยิ่งเจริญมากสติก็ยิ่งมีกําลังมากดังนั้นทางปฏิบัติเราจึง ต้องเจริญสติตั้งแต่ตื่นจนหลับเพราะการเจริญสตินี้เราสามารถเจริญได้ในทั้งอิเลยวอิรยาบททั้งสี่ไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนก็ตามเพียงแต่ว่ามีความยากง่ายต่างกันเท่านั้นเองสถานที่เราอยู่นั้นมีส่วนที่ทำให้การเจริญสตินี้ยากหรือง่ายและกิจกรรมที่เราทำนี้ก็มีส่วนทำให้การเจริญสติเรายากหรือง่าย ถ้าเราอยู่ในสถานที่ที่มีเหตุการณ์ต่างๆมากระทบกระทั่งอยู่เรื่อยๆหรือมีกิจกรรมต่างๆที่จะต้องทำนี้การควบคุมสติควบคุมความคิดนี้จะทำได้ยากเพราะจิตจะต้องใช้ความคิดปฏิบัติกับเหตุการณ์ต่างๆปฏิบัติกับกิจกรรมต่า ง, างๆจะทำให้จิตหยุดคิดนี้จึงยาก ผู้ที่อยากจ ะ, จะอยากจะเจริญสติเพื่อหยุดความคิดให้ได้นี่มักจะต้องไปอยู่คนเดียวไปอยู่ที่ไม่มีเหตุการณ์ต่างๆมากระทบกระทั่งกับจิตใจท่านบอกให้ไปปรีกวิเวกไปหาสถานที่สงบสงัดทางกายก่อนก่อนที่จิตจะสงบสงัดได้กายต้องสงบสงัดก่อนเรียกว่ากายวิเวกการไปปรีกวิเวกก็คือการไปทำกายให้อยู่ในสถานที่สงบสงัด เรียกว่ากายวิเวกพอกายวิเวกแล้วจิตก็จะวิเวกตามจิตก็จะสงบตามได้เพราะไม่มีเรื่องอะไรมากระทบกระทั่งมาทำให้จิตต้องคิดปรุงแต่งอยู่เรื่อยๆนั่นเองนี่ถึงเป็นสาเหตุของผู้ที่ต้องการเจราญสติอย่างอย่างเอาจริงเอาจังนี่มักจะต้องไปอยู่แบบนักบวชกันเพราะนักบวชนี้จะได้ไม่ต้องมีกิจกรรมอย่างอื่นไม่ต้องทามาหากิน ไม่ต้องทำกิจกรรมต่างๆไม่ต้องใช้ความคิดปรุงแต่งเหมือนกับผู้ที่ยังมีงานทำยังมีการทำมาหากินอยูนะ่ก็ต้องใช้ความคิดมากคิดหาเงินหาทองคิดเก็บเงินเก็บทองคิดใช้เงินใช้ทองมีแต่ความคิดตลอดเวลาจะหยุดคิดได้ก็เฉพาะเวลาช่วงหลับนอนเท่านั้นเองและบางทีหลับนอนก็ยังฝันถึงงานการที่ทำอยู่ยังหยุดคิดไม่ได้ เังนั้นโอกาสที่จะเจรานสติในชีวิตประจำวันของผู้ที่ครองเรือนนี้จึงยากมากนอกจากเป็นผู้คองเรือนที่มีบุญคือไม่ต้องทำงานมีเงินทองเยอะแต่ยังไม่ได้บวชแต่ก็ไม่มีงานทำต้องทำทําอย่างมากก็คอยนับเงินเก็บเงินเท่านั้นเองนอกกนั้นก็ไม่ต้องคิดอะไรมากก็สามารถที่จะมีเวลา ที่จะมาเจริญสติได้ดังนั้นถ้าอยากจะเจริญสติอย่างได้ผล mm hmm. ก็ต้องหาต้องต้องปรีกวิเวกันถ้ายังเป็นผู้ครองเรือนี้อยู่กับบ้านอยู่กับการการ น, นี้ไม่มีทางที่จะมีสติพอที่จะทำให้จิตสงบเป็นสมาธิได้ต้องไปปรีกวิเวกกันก็สามารถทำได้ในแบบชั่วคราวก่อน เป็นวันไหนว่างจากภารกิจการงานแทนที่จะไปเที่ยวไปหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้งกายกันก็ไปอยู่วาดกันไปหาที่สงบไปปีกวิเวกแล้วก็ไปควบคุมใจไม่ให้ไปทากิจกรรมต่างๆที่จะทำให้มาลบกวนการเจริญสติผู้ที่ไปปีกวเวกจริงต้องไปถือศีลแปดด้วย เพื่อที่จะได้ระ ง, งับกิจกรรมต่างๆทางร่างกายไปกิจกรรมทางร่างกายก็ต้องใช้จิตเป็นผู้คิดอีกอะจะทำอะไรจิตต้องเป็นผู้คิดก่อนอะจะรับประทานอาหารเย็นก็ต้องจิตก็ต้องคอยคิดก่อนถึงเวลากินหรื อ, อยังคิดอยู่นั่นจิตมันก็จะไม่สงบคิดจะไปเที่ยวไปดูหนังฟังเพลงไปงานเลี้ยงต่างๆ แต่งเนื้อแต่งตัวอะไรเหล่านี้มันก็ยังใช้ความคิดหยู่แล้วมันก็จะใช้เวลาที่มีคุณค่าให้หมดไปไม่สามารถที่จะมานั่งสมาธิได้ไม่มีเวลานั่งสมาธิดังนั้นผู้ที่ต้องการเจริญสติจึงมักจะต้องถือศีลแปดขึ้นไปถือศีลแปดศีลสิบศีลสองรอยีิบเจ็แล้วแต่สถานภาพถ้าเป็นอุบาสกอุบาสิกาแม่ชีก็ถือศีลแปด เป็นสา ม, มเณรก็ถือศีลสิบเป็นพระภิกษุก็ศีลสองรอยสิบเจ็ดถ้าในอดีตมีภิกษุณีก็ถือศีลสามร้อยกว่าข้อ น, นี่คือผู้ที่มุ่งมั่นต่อการชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ผู้ที่จะซื้อประกันชีวิตหยุดการกลับมาตายกลับมาเกิดแก่เจ็บตายนี้ต้องไปซื้อประกันชีวิตคือต้องไปบวชกัน ส่วนใหญ่ผู้ที่สำเร็จผู้ที่มีได้รับความคุ้มครองประกันชีวิตก็คือผู้ที่เป็นนักบวชทั้งนั้นส่วนใหญ่เก้าสิบเก้าจุดเก้าเปอร์เซ็นเป็นนักบวชทั้งนั้นเป็นพระเพราะว่าเ ป, เป็นผู้ที่มีเวลาที่จะสามารถชำระจิตใจได้อย่างได้อย่างเต็มที่แต่ถ้าเป็นคารวาส น, นี้ต้อง ถ้าชำระได้ก็เป็นผู้ที่มีบุญเก่าเท่านั้นเองที่เคยสร้างบุญเก่ามามากแล้วไม่ต้องไปบวชก็ได้สามารถชำระในอยู่ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็สามารถชำระได้เลยอันนี้ก็มีจำนวนน้อยมากมีไม่มากแต่หลังจากที่ชำระใจะให้สะอาดบริสุทธิ์แล้วส่วนใหญ่ก็ไปบวชอยู่ดีเพราะไม่รู้จะอยู่แบบคารวาดไปทาไมเพราะว่า ผู้ที่มีความสะอาดบริสุทธิ์ของจิตใจแล้วจะไม่มีความอยากอยู่แบบคารวะเพราะไม่มีกามาตัณหาไม่มีความอยากจะเสพกามไม่อยากจะร่วมหลับนอนกับใครไม่อยากจะหาความสุขทางตาหูจมกูกลิ้นกายไม่ได้อยากร่มอยากรวยอยากเป็นใหญ่อยากเป็นโตไม่ได้ต้องการให้ใครมายกย่องสรรเสริญเยือนยอแล้วก็ไม่รู้จะไปอยู่กับกลุ่มพวกนี้ทาไมอยู่กันก็เดี๋ยวก็ อยู่กันไม่ได้อยู่ดีเพราะอยู่แล้วก็เป็นเหมือนแกะดํานั่นเองก็จะถูกเขานินทาเขาลหาเยาะเย้ยหรือกล่าวหาว่าเป็นบ้าก็ได้เองพวกที่เขาจิตศาสตร์บริสุทธจึงมักจะอยู่กับพวกที่จิตไม่บริสุทธไม่ได้อยู่ด้วยกันไม่ได้เหมือนน้ํากับน้ํามันนี่อยู่ด้วยกันไม่ได้ลองเอาน้ํากับน้ํามันมามาผสมในขวดดูเลยแล้วเขย่ามันยังไง เขย่าไปจนตายมันก็พอเราหยุดเขยา่ามันก็แยกออกจากกันทันทีน้ำก็จะอยู่ส่วนหนึ่งน้ำมันก็จะอยู่อีกส่วนหนึ่งจิตของผู้ที่บริสุดกับจิตของผู้ที่ไม่บริสุทธก็จะเป็นอย่างนั้นจะอยู่ร่วมกันไม่ได้ผู้ที่จิตบริสุดธิเมื่อไหร่นี้จะขอบวชกันทั้งนั้นถ้ายังไม่ได้บวชอ่านประวัติในประวัติ ด, ดูแต่ละพระสาวกแต่ละพระองค์ ถ้ายังไม่ได้เป็นนักบวชพอได้บรรลุ ก, ก็ขอบวชทันทีนี่คือเรื่องของการซื้อประกันชีวิตถ้าเราสามารถกำจัดกิเลสตัณหาที่เป็นเหตุเป็นตัวที่ดึงให้เรามาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายได้เราก็ไม่ต้องมาเกิดมาแก่มาเจ็บเราก็ไม่ต้องตายอีกต่อไปรับประกันชีวิตไม่ต้องตายอีกต่อไป ตายครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายชาติสุดท้ายถ้าเราสามารถชำระกิเลสตัณหาให้หมดไปจากใจได้มันจะไม่มีเหตุที่จะเดึนให้เรากลับมาเกิดเมื่อไม่มาเกิดมันก็จะไม่มีความแก่ความเจ็บความตายตามมานี่คือเรื่องของการชำระใจต้องชำระที่ กำชั่มละความอยากทั้งสามประการนี้เลิกความโลภความโกรธความหลงนี่เพราะเวลาถ้าเราไม่มีความอยากแล้ว เ, เราไม่รู้จะมีร่างกายไปทาไมถ้าไม่มีความอยากดูอยากฟังไม่อยากมีความเลืมลิ้มรส ด, ดมกลิ่นไม่ได้อยากมีความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายมันก็ไม่ต้องมีร่างกายเหมือนคนที่ไม่ต้องเดินทางไปไหนมาไหนก็ไม่ต้องมีรถมีไปทำไมมีก็จอดเฉย เพราะไม่ไปไหนแล้วอยู่บ้านสบายกว่าที่ไหนจะสบายเท่ากับบ้านเราถ้าอยู่ไม่ได้ก็เพราะความอยากมันมันเด้นมันดอกให้เราออกไปหาหนูน่นหานี่กันหาไปแล้วก็ต้องกลับมาอยู่บ้านอยู่ดีคนที่ฉลาดหรอมไปทําไมไปให้เหนื่อยทําไมหยุดความอยากดีกว่าหยุดความอยากออกจากบ้านให้ได้ดีกว่าถ้าหยุดความอยากออกจากบ้านได้ก็ไม่ต้องมีรถไปไหนมาไหนรถก็จอดทิ้งไว้มันจะ วิ่งได้หรือวิ่งไม่ได้ก็ไม่เดือดร้อนออพอไม่มีความอยากจะใช้ร่างกายแล้วเวลาร่างกายแก่หรือไม่แก่ก็ไม่เดือดร้อนเวลาร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยหรือไม่เจ็บไข้ได้ป่วยก็ไม่เดือดร้อนเพราะไม่ได้ใช้ร่างกายแล้วแต่ถ้าต้องการใช้ร่างกายนี้พอมันแก่หน่อยก็เดือดร้อ น, น si จะไปไหนมาไหนมันไม่คล่องแคล่วว่องไวสะดวกเหมือนสมัยที่ยังไม่แก่ <lien> วเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยอยากจะไปไหนมาไหนก็ไปไม่ได้ เพื่อนชวนไปเที่ยวกันแต่เราไม่สบายนอนอยู่ในโรงพยาบาลก็ไปไม่ได้พอไปไม่ได้ก็เกิดความทุกข์ใจกันขึ้นมาทรมานใจกันขึ้นมาเราจึงทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายกันก็เพราะว่าเรายังมีความอยากหาความสุขผ่านทางร่างกายพอร่างกายไม่สามารถตอบสนองความอยากของเราได้เราก็เลยทุกข์ทรมานใจกัน แต่ถ้าเราไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขแล้วไม่มีความอยากหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายแล้วร่างกายจะเป็นอะไรหรือไม่เป็นอะไรนี้มันก็เท่ากันไม่เดือดร้อนร่างกายสบายหรือไม่สบายก็ไม่เดือดร้อนร่างกายอยู่หรือตายก็ไม่เดือดร้อนแล้วก็พอร่างกายนี้ตายไปแล้วก็จะไม่กลับมามีร่างกายอันใหม่อีกต่อไป ไม่ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายต่อไปนี่คือเรื่องของการซื้อประกันอชีวิตซื้อประกันภัยซื้อที่พึ่งจากที่พึ่งงานสูงสุดเนี่ยคือพระ พ, พ, พระรัตนไตายเนี่ยพระรัตนาตายเนี่ยเป็นที่พึ่งที่สูงสุดที่แท้จริงมีที่เดียวในพระพุทธศาสนานี้เท่านั้นถ้าไม่มีพระพุทธศาสนานี้สัตว์โลกจะไม่สามารถมี ประกันภัยมาคุ้มซื้อประกันภัยมาคุ้มของซื้อประกันชีวิตมาคุ้มครองได้เลยก็จะต้องเสี่ยงกับการไปเกิดในอบายเสี่ยงกับการที่จะต้องกลับมาตายซ้ำแล้วซ้ำอีกอยู่เรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดจนกว่าจะได้มาพบกับพระพุทธศาสนามาพบกับบริษัทประกันภัยบริษัทประกันชีวิตแล้วถ้าเราเชื่อเซลแมนที่เขามาขายประกันคือผู้ที่มาแสดงธรรมต่างๆนี้ แล้วเราไปซื้อประกันภัยตามที่เซลแมนเขาสอนเขาบอกให้ทำบุญทำทานให้รักษาศีลให้ชำระใจให้สะอาดบริสุทธิด้วยการเจริญด้วยการไปปีกไปเวเจริญสติเพื่อทำใจให้สงบใจสงบแล้วใจก็จะมีความสุขแล้วก็ความอยากต่างๆก็จะละ ง, งับไปชั่วคราวแล้วเวลาออกจากสมาธิมา พอเกิดความอยากถ้าอยากจะกําจัดมันอย่างถาวรก็ใช้ปัญญามาหยุดมันให้ปัญญามาสอนว่าความอยากนี่แหละเป็นตัวที่พาให้เรากลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายถ้าไม่อยากจะกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายก็ต้องไม่ทําตามความอยากถ้าไม่ทําแล้วความอยากมันก็จะหมดกําลังไปถ้าทํามันก็จะไม่หมดมันก็จะต่ออายุให้กับมันไปเรื่อยๆเช่นคนอยากสูบบุหรี่ ถ้าไม่สูบไม่สูบตามที่ความอยากไม่กี่ครั้งเดียวความอยากก็หมดไปแต่ถ้าสูบตามความอยากมันก็ต้องสูบไปเรื่อยๆพอสูบวนนี้จบเดี๋ยวก็มีความอยากจะสูบวนต่อไปสูบไปไม่มีวันสิ้นสุดชั้นใดการทำตามความอยากจึงเป็นเหมือนกับการซื้อภพชาติไม่ได้ซื้อประกันชีวิตซื้อความตายกันซื้อความเกิดแก่เจ็บตายกัน ทำตามความอยากก็ทําให้ความอยากนี้มันไม่หมดมันมีแต่จ ะ, จะเจริญก้าวหน้าจเจริญเติบโตเหมือนกับปลูกต้นไม้ถ้าเราหมันลดน้ํามันก็จะมีมันก็จะโตขึ้นไปเรื่อยๆถ้าเราหยุดลดน้ําเมื่อไหร่มันก็ตายมานั้นฉันใดความอยากนี้ก็เหมือนกันถ้าเราทําตามความอยากมันก็จ ะ, จะเจริญเติบโตอยามอยากมากเพิ่มขึ้นไปโบราณก็ถึงพูดอย่างว่า อยากได้คือพอได้คืบก็อยากได้สอกพอได้สอกก็อยากได้วามันไม่ใช่น้อยลงไปแทนที่ว่าอยากได้คืบแล้วอยากจะเหลือนิ้วไม่มีได้เงินเดือนแสนแล้วจะบอกขอลดเหลือห้าหมื่นไม่มีมีแต่จะขอให้มากกว่าแสนพอได้แสนก็อยากจะได้ล้านนี่คือธรรมชาติของความอยาก ถ้าเราเข้าใจมันถ้าเราถ้าเรารู้ว่ามันเป็นต้นเหตุที่ทำาให้เราต้องมาตายกันอยู่แล้วเยื่อยๆถ้าเราไม่อยากจะกลับมาตายก็อย่าไปทำตามความอยากหยุดกามะตัะหาหยุดภาวะตันหาหยุดวิภาวะตันหาถ้าหยุดได้แล้วความอยากก็จะหมดไปจากใจใจก็จะสะอาดบอยสุดแล้วความเกิดแก่เจ็บตายก็จะไม่มีต่อไปนี่คือวิธีซื้อประกันชีวิต ซื้อการไม่ต้องมารับประกันรับน้ำไม่ตายจริงๆด้วยเพราะไม่มีการเกิดนีบริษัทประกันชีวิตเขาไม่ได้ประกันชีวิตเราเขาประกันการผลประโยชน์ที่เราอาจจะสูญเสียจากการเสียชีวิตเขาชดเชยส่วนนั้นได้เช่นเราตายไปเราไม่สามารถหาเงินทองให้ครอบครัวได้เขาก็เอาเอาเอาเงินทองมาให้ครอบครัวแทนเราเท่านั้นเองแต่เขาไม่สามารถประกันชีวิตเราได้ มีแต่พระพุทธศาสนานี่เท่านั้นที่จะประกันชีวิตต่อได้ถ้าเราซื้อประกันชีวิตของพระพุทธศาสนานก็คือไปปริกวิเวกไปถือศีลของนักบวชไปเจริญสติและปัญญาถ้าเรามีศีลสมาธิปัญญามีศีลสติสมาธิปัญญาแล้วเราก็จะมีความคุ้มครองจากความตายอย่างถาวรจะไม่มีวันตายต่อไป ดังนั้นก็ขอให้พวกเราจงเห็นคุณค่าของพระรัตนใจที่นานๆจะมาปรากฏให้เป็นที่พึ่งของพวกเราสักครั้งหนึ่งตอนนี้พวกเราได้มาพบแล้วอย่าปล่อยให้ที่พึ่งอันนี้หลุดมือไปรีบตักตวงพ้นประโยชน์ที่พึงจะได้รับตั้งแต่บัด น, นี้ไปด้วยการทำบุญทำทานด้วยการละบาปด้วยการชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ แล้วเราจะได้รับความคุ้มครองปกป้องไม่ให้เราจะต้องไปเกิดในอบายถ้ายังต้องมาเกิดอยู่แลถ้าเรามีประกันชีวิตเราก็จะไม่ต้องกลับมาเกิดมาตายอีกต่อไปการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พร ยะถาวาริวะหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวเมวะอิโตทินางเปตานังอุปกัรปติอ an ิชิตังปฏิต um ังตุมหังคิปะเมวะสมิจตุสัเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนาระโสยะถามณิโชติ อราโสยะธาสพิติโยวิวัจจันโตสัพพโรโคเวณัสตุมาเตภวะตอันตารโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาธนสีฤทธนิจจังวุฒาปจายโนจตารโธรรมวัานติอายุวันโอสุขัง ล <Hello. S 2> ำดับต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบปัญหาธรรมใครมีคำถามก็ขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยหลังจากที่เราเลิกประชุมแล้วก็ขอยุติการถามตอบเวลาจะถามขอให้ถามช่วงนี้ถ้าไม่อยากจะขึ้นมาถามเองกเ็เขียนใส่กระดาษคำถามมาให้เขาอ่านก็ได้ ถ้าอยากจะถามเองก็ขอให้ขึ้นมาพูดที่ไมโครโฟนเพราะจะได้ยินทั้งคำถามและคำตอบแต่ก่อนที่จะถามทางภาษาไทยอาจจะให้ทางชาวต่างชาติที่มาจากออสเตรเลียได้ถามถ้ามีอะไรเดี๋ยวก่อนวันนี้ทาง a ฟ e b o o กกับทาง YouTube เข้ามาเท่าไหร่วันนี้ทาง a ฟ e b o o k เข้ามาที่สามรอยสสิบคนครับทาง YouTube เข้ามาที่แปดสิบคนครับ กาบนมัสการหลวงพ่อครับ อ, อ, อผมมีคําถามอยากให้หลวงพ่อช่วยอธิบายให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องอธิษฐานบา ร, รมี <c oughs> ต่างจากคําขออย่างไรครับอ๋อคือคําว่าอธิษฐานนี่เื็ความตั้งใจไม่ได้เป็นคําขอเราต้องการอะไรเราก็ต้องทําในสิ่งที่จะทําทให้เกิดสิ่งที่เราต้องการขึ้นมาอาเราก็ต้องตั้งใจเช่นวันนี้เราต้องการฟังธรรมะ ต้องการทำบุญเราก็ต้องตั้งใจว่าวันนี้เราจะมาวัดนี่เรียกว่าอธิฐานคือความตั้งใจตั้งเป้าหมายของการกระทำของเราเรียกว่าอธิฐานวันนี้อยากจะทำบุญอยากจะฟังเทศฟังธรรมเมื่อวานนี้เราก็เลยตั้งใจไว้วัล่วงหน้าก่อนว่าเดี๋ยวพอถึงวันนี้เราจะมาวัดกันเพื่อเราจะได้มาทำบุญมาฟังเทศฟังธรรมกันเรียกว่าอธิฐานนอกจากอธิฐานแล้วเราต้องมีสัจจะ คือความจริงใจความมั่นความแน่วแน่ต่อคํำอธิษฐานของเราถ้าเราตั้งใจแล้วแต่ไม่มีสัจจะเดี๋ยวพอตอนเช้าจะมาวัดมีคนชวนให้ไปที่อื่นก็อาจจะเปลี่ยนใจได้แต่ถ้าเรามีสัจจะว่าเราตั้งใจจะทําอะไรแล้วเราไม่ยอมเปลี่ยนใจตั้งใจจะมาวัดก็ต้องมาวัดใครจะมาชวนให้ไปไหนก็ไม่ไปต่อให้ใครมาชวนให้ไปรับเงินเป็นแสนเป็นล้านก็ไม่ไป อย่างนี้เรียกว่ามีสัจจะอย่างพระพุทธเจ้าเวลานั่งอยู่ใต้โคนต้นโพท่านก็ตั้งสัจจะอธิษฐานว่าจะนั่งอยู่ใต้ต้นโพนี้จนกว่าจะตัดชั่วโรถ้ายังไม่ตัดชั่วโรถึงแม่างเลือดในร่างกายจะเหือดแห้งไปก็จะไม่รู้จากที่นั่งนี้ไปเป็นอันขาดเรียกว่าต้องมีอธิษฐานมีความตั้งใจแล้วก็ต้องมีสัจจะไม่งั้นนั่งเดี๋ยวเด๋ยวเจ็บแล้วปวดตรงนั้นปวดตรงนี้ก็ไม่ไหวแล้วเว้ย พอดีบาดหมดพอดีเอาแค่นี้ก่อนนะ ค, ครับนอครับขอคิดว่าพอสมควรอย่เวลาอยากขอเยียดยีการแสดงไว้เพียรภาพดีขอให้ท่านทั้งหลายจะเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพิลิดเพลินนาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในทางยิ่งยิ่งขึ้นไปสาธุ